นั่นนก <c oughs> ารที่เราสวดว่าขัชชนโตวะขัชามิติปชาาตินิสินธิตโต ว, วาธิตโหมหิติปชาาตินิสินโนวะนิสินโนมหิติปชาาติสยานโนวะสยามโหมหิติปชาาตินี่คือบทสี่ว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเดิน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 เย็นมันก็เป็นน้ําเย็นน้ําแข็งแต่พอออกมาจากตู้เย็นมาล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ละลายไปเ ป, ป, ป, ป, ป็นน้ําเหมือนเดิมเป็นน้ําธรรมดาความเย็นก็หายไปน้ําแข็งก็หายไปนีหมายความว่าในช่วงของการภาวนาเนี่ยเราเหมือนกับเราอาใจของเราเนี่ยไปสู่อีสภาวะหนึ่งเหมือนในตู้เย็นแต่พอออกจากช่วงภาวนามันต้องเผง en, อออชิญโลกกับความเป็นจริงเหมือนกันกบนําน้ําออกมาจากตู้เย็นความเย็นก็หายไป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 สันใช้คว่าสังคาติปัตตะบทรมาเทวสังคาติปตะจีวราธารณนสัมปชาณกะลีขงติถ้าเป็นนักบวชก็ใช้คาว่ามีความรู้สึกตัวในการนุ่งสบุงทรงจีวรห่มสังคาติไปวินทบาทไอนี่ให้รู้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ใช้คำว่ามีความรู้สึกตัวท่อมในการแต่งเนื้อแต่งตัวในการหยิบกันฉวยในการเคลื่อนไหวในการจัด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 อุจาระปัสสาวะกมเมสัมปชานักกาลีโหติรายละเอียดไปถึงขนาดนั้นนะอุจาระปัสสาวะกมเมมา น, น, น, นักก า, ารีโหราะเอียดไึงขนาดนห้นนะอุจาระปัสสาวะกเมสัมปชานักการีโหติตรั้งเนียดไ่ถึงปนาดนั้นนะอุจาระนัสสาวะกเลยไมใช่มันจะรีโงติอายละเอากดไปถึงขนาดนั้นะอาการะปกกาการักอาการเบาปรากฏก่อนีโหติรายลเอีปถนดรู้รล่ะอุจารู้สึากเมสัมปชานักทีนี้หราก็ต้องดไลีกีวนาดนั้ระดับเนีะกเรานะไปหรือไต่ไปยละทีมันแค่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 ถึงแมอง้องค์ประกอบสองประการที่ชัดเจนแล้วนะต้องได้ อ, อ, อาศัยหลักการกระทาอีกห้าประการหลักอินทรีห้าหรือพลาห้าอันนี้ซึ่งได้ได้กล่าวมาเมื่อวานหมดแล้วแต่วันนี้จะซอยลงในรายละเอียดว่าโดยเฉพาะในหมวดของสัมปชัญญปะปภะฮะเมื่กี่้เรามาถึงว่าอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานากาลีโหดีนะแล้วก็บอกว่า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 ง่ายไปหายากนะจากอยากไปหาละเอียดนะการรบีบุตสีหยาบๆยาบใช่ไหมง่ายการเหลวซ้ายไหลขวายากมานิดนึงการรู้วิหูเหียวขึ้นไว้ยากขึ้นไปอีกนิดหนึง่งแล้วการไปรู้ถึงการทายอุเจละเออการรู้ถึงการแต่งตัวการหยิบยับจับเฉย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 พ อ, พอพูดอย่านนี้เสียแล้วก็พาทำงานทั้งวันทีนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งมันก็ไม่พอใจอะไรวะห า, หาคาพูดแค่เจ็ดคาจะสอนกันเจ็ดปีพอพูดคาเดิยวฉันก็จำได้แล้วฉันไม่เสียเวลาเรียนทาไมแต่ว่าเนื่องจากพ่อแม่บังคับให้มาเรียนกะเหรีตัวนี้จะกลับบ้านก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าเธอจะต้องเรียนกะเหรี่ยศนี่เจ็ดปีนะหรือศีรดก็ตาม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 เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นก็ไปหาดินหาปุ๋ยหาอะไรมาเตรียมพร้อมเอามาได้ดันลงดินแล้วคอยทนุถนอมให้น้ำใส่ปุ๋ยพ่นดินไม่นาน้นงาตอนนั้นก็งอกขึ้นแต่ตอนจากพระฤาษีไปพประฤาษีบอกว่าอีกเจ็ดปีเธอทั้งสองคนกลับมาหาหลวงพ่ออีกนะจะได้พิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่ให้ไปในเธอเวททําอย่างไรปรากฏดูเ อ, อ, อนักศึกษาที่ว่าเอาเม็ด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 แล้วปัญญาระดับภาวนามันจะปัญญาปัญญาลงมือทำรรนะดังนั้นในวันนี้เรามาวิเคราะห์ถึงตัวบทในเรื่องของอิยาปฐปะภะและสัมปชปัญนญะปปะแต่เวลาคงไม่พอที่เข้าไปถึงบทที่ท่านสวนต่อมาเกี่ยวกัเรื่องของอาการสามจุสองหรือทาสี่แต่ว่าจะใช้ในการวิเคราะห์ในวันต่อไปนะชนะงเชาวนี้ก็ควุพัฒนาสาธุในกา ร, รตั้งใจศึกษา